ตัวสภาวธรรมเนี่ยมันเกิดเกิดดับดไปเรื่อยๆตัวไหนเกิดก็รู้ตัวนั้นนะเพราะงั้นสภาวธรรมที่แต่ละคนรู้ในแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าสภาวธรรมทุกตัวเนี่ยแสดงธรรมะอันเดียวกันคือแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะงั้นทุกคนก็จะรู้ธรรมะอันเดียวกันคือเบื้องต้นก็รู้ว่ามีสภาวธรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่รู้อันเดียวกัน รู้มากข้ามาเข่าก็จะรู้ลึกซึ้งลงอีกว่าลําพังสภาวธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นยังไม่ได้นําความทุกข์มาให้เมื่อไรอยากเมื่อไหรยึดเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะเพราะงั้นทุกคนก็จะเห็นธรรมะอันเดียวกันแต่เห็นไม่เท่ากันนะือใช่ ต้องไว้ก่อนเดียวพออะไรเกิดขึ้นจะเริ่มพลิกตํำราพลิกไม่ทันหรอกแต่ว่าไปเรียนไว้ก่อนนิดหน่อยก็ดีแต่เสร็จแล้วจะไปพลิกอะไรนะชีวิตตะรูปหรือชีวิตตินซีแน่ถ้าคิดเหรอคิดเหรอมั่วแบบมีผ้าใช่ไนมจะเกิดกลับไป จะไมพากันโอ้ยจบเอ้ยตอนนี้ใครอ้าวผ้าอย่านี้กซ้อนๆไปนไปล่อยไปปล่อยไปผมไม่นั่งรู้ว่าน้าขงบ้านนะใต้ก็หลอกนั่นแหละบังคับไม่ได้นะเขาแสดงธรรมะให้ดูแล้วไม่ดูเขาแสดงว่าบังคับไม่ได้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาแสดงธรรมะ เราคิดว่าต้องหยุดภาคแล้วถึงจะมีธรรมม้าป ร, กรกากฏห้ามไม่ได้ไไดแต่อยากห้ามต้องรู้จักโตไม่ต้องคิดรู้กับรู้กับซื่อๆไม่อยู่ ก, กัน่ง น, นี่ไงเราเริ่มต้นเราก็เริ่มเป็นเดากเจ้ารล่หแล้วเราไม่รู้ซื่อๆเราอยากดัดแปลง กมอ่มอออาารคือพอจิตไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันชอบดูแต่งต่อถ้าฝึกมากเข้ามากเข้าก็จะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายนําความทุกข์มาพอกระทบอารมณ์แล้วมันจะทิ้งไปเลยเหมือนเมื่อเช้าพูดพวกบางคนฟังเรบางคนของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงแต่สังเกตไหมในใจเรามีนักพูด พูดแจ้วแจ้าเลยมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงอ่ะเป็นยังไงเช่นความสงสัยพูดขึ้นมาเห็นมันพูดขึ้นมาแล้วมันดับไปนี่ของจริงความโกรธพุดขึ้นมาเห็นมันโกรธแล้วก็ดับไปนี่ของจริงแล้วของปลอมเป็นยังไงะความโกรธพูดขึ้นมานึกถึงโอ้เนี่ยเรียกว่าโกรธความโกรธไม่ดีนะ นำความทุกข์มาให้ในภาพแจ้วเลยไม่ได้ดูตัวความโกรธนำวัตจะคิดเอาอย่างนี้ไม่เห็นของจริงหลังจาเจอพ่อแล้วก็เริ่มเริ่มก็เป็นแบบนี้แต่สภาพจิตมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนก่อนหน้านะมันไม่ ไ, ไร้เดียงสานะ สมัยก่อนเนี่ยมันไรเดยนสามันทำไปซื่ อ, อนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเด็กเจ้าเล่ซะ ก, ก่อนนะไ็ก็ส บ, บายนะแต่ตอนเนี้แต่ตอนเนี้ยมันรู้มากไปแลบางครั้ก็มีครับรู้ตรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ช่างมัน แล้วตอนั้นก็แบบรู้สึกจต่อไม่ได้ครับเพระมพอมันเกิดขึ้นแล้วจะรู้ว่าอาการนี้มันเกิดก็เดี๋ยวไปดูที่ตัวอาการสิอยู่ที่ใจเรานะพอพุ่ว่าวุ่ว่าใจชักตกใจแล้วตกใจรู้ว่าตกใจไม่ใชไปรู้ว่ว่ากนะ ตัวใอก็จะกคแล้วมันจะต้องชาติต้อง้คือธรรมชาติของจิตใจเนี่ยนะมันยังไม่ชำนาญเคยขิ้นรถไฟไหมเวลามองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟตอนที่รถไฟวิ่งอ่ะเคยสังเกตอะไรอย่างไหมสมวตเราอยากจะดูแล้วให้ผ่านไปเรื่อยๆนะไม่ไปสะดุดหยุดตรงไหนเนี่ยไม่ได้อ่ะ ถ้าดูแปแว บ, บหนึ่งตาจะไปจับเข้าที่รูปไปนหนึ่งแล้วก็มองตามไปมองตามมีเคลื่อนไปแล้วมองตามกว่าตาตามเป็นระยะๆอยะ่างเงี้ยมันสัต์แต่รู้ไม่ได้อยากบังคับมันก็ไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้าเราสามารถฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไหลผ่านไปนะแล้วไม่ไปจบับปอดเกี่ยวนะมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันทําไม่ได้พอไหลไปนิดหนึ่งก็ไปสะดุดแล้วจับ จับนี่อารมณ์นี่ไม่เคยหยุดนิ่งอารมณ์เคลื่อนตลอดเวลาพอเราจับตรงหน้าได้ปั๊บแล้วเราดูนี่มันจะเคลื่อนไปสู่อดีตแล้วช่วงเนี้มีมีเวลาเกิดขึ้นมามีเวลาเกิดขึ้นมานี่เรามีการสร้างภบสร้างชาติไดเยอะยคิดได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าลงปัจจุบันจริงๆนะจะปรุงแต่งไม่ได้ส่วนมากจะไหลไปไหลไปไปจับอารมณ์อันหนึ่งไปแล้วไหลตกตกขอบไป เห็นไหมจิตมันเข้าไปจับไว้อันหนึง่งเห็นไหมดูออกไหมเหมือนเหมือนกค่เรานั่งอยู่หน้าต่างไฟแล้วแล้วรูปภาพมันไหลไงไหลไปแล้วจิตมันเข้าไปจับเป็นช่วงช่วงช่ว ง, งแ่างคนก็แบบรู้เลยเพร่าป้วยไปด้วเออเขาก็รู้ไปนะเราจะเห็นเลยว่าอบครับไม่ได้หรอก ธรรมะมันเิดตัวนี้ต่าหมันก็จะหา่กอย่างพอ้่มก็อันไหนเกิดแ่เพราะจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์แต่แต่เหี่หตัวเดิมตัวใหม่ตัวใหม่แต่ตัวใหม่มันก็เกิดดับมันก็เป็นตัวเดิมลมันเกิดบ่อยเออเห็นไหมหลงไปแล้ว หลงบ่อยก็คือไปลงทะเบียนเป็นเดรัจฉานไหมหลงหนึ่งทีก็ไปลงแค่หนึ่งคะแนนไงมีความสุขรู้ไหมมีความสุขไม่รู้เป็นโลภตัวจิตที่มันใสสว่างกับจิตที่มโมหะแต่ว่ารู้โมหะไป้กับจิตที่ใสสว่าแล้วไม่รู้ตัวยังไง มีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีกว่ามีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้มันสภาวะเดียวกันคกัมีิเลส้วมีกิเลสกับมีกุศลรู้มกิเลสรู้ว่ามีกิเลสนั่นแหละกุศลและล้ากช่องว่าตอนที่ะรู้หน้ามันต้องเป็นทุกข์ดีแล้วที่เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นสุขนี่อาการสาหัอ หลงผิดนะแต่ตอ น, น, น, ต น, น, นมันจะไม่นะมันจะเพลินมันจะเอาย่โอ้โไปติดสุดก ร, รู้ว่าชอบ <c oughs> นะชอบก็รู้ว่าชอบ <c oughs> ไปนดูนะอย่าไปคิดนะ <c oughs> ตอนมาหัดใหม่ๆนะไปเรี้ยวเลยแล้วยู่อะ ไปง่ายรับดูเอาเฉยๆตอนหลังนี่ชัดรู้มากเริ่มมีทางวิจาร <c oughs> เริ่มภาพนั่นแ่ะแเฝอไปคิดแล้วรู้ไหมไม่ <c oughs> ปิดอะไรนะห้ามไม่ได้ สภาวว่าทำอะไรปรากฏก็ให้สักแตรู้สักแต่เห็นไปห้ามไม่ได้หรอกเนีไงไปลอยแล้วรู้ไหมจะ ห, หักอย่างนี้นะเฝือแล้วรู้เฝล่อแล้วรู้ไปเรื่อยแบบ แ, แรก่เฉียดชิดก็คือรู้แล้วแล้ก็คิดไปแล้วว่า ไม่เป็นไรมันสรุปบทเรียนบางคนก็ต้องมีเศิพราะว่าใจเราเนี่ยไม่ถึงอนะเรื่องว่าใจมันไม่ถึงอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติมานะเสร็จแล้วต้องมากลับมาทบทวน <c oughs> ไอ้ที่ทําอยู่เนี่ย <c oughs> เราทําอะไรอยู่นะทําอย่างเงี้ยมันถูกหรือมันผิดทําแล้วมันจะมีผลยังไงแนะ่ เสร็จแล้วก็มาพบโอ้ยทำไมต้องไปทบทวนนี่มันหลงคิดนี่แต่ว่าไม่ทบทวนก็ไม่ได้ใจมันไม่ถือกลัวผิดกลัวผิดเดี๋ยวจิตของเราจะเสียหายหนุ่มก็จะทำเตะให้สบายแล้วนะัมงสบายดีเนี่ยทำไงอืม ทำไมื่อก่อนตอนอยูัวงสมาีิ ง, างา่าๆทไตอนนี้แบบนั่งมา ธ, มธิจ น, นลมหายใจเขาออกัแสบยาเด็นเบชัดทุกทีเลยนะต้องทาเล่นๆอย่าทาจริงเคล็ดลับของการทาสมถะที่ทำเล่นๆ <c oughs> ทาสบายๆอย่าไปตั้งใจหลวงพ่อพุธสอน <c oughs> ดีๆบอกว่าหลักของสมถะก็คือไม่ตั้งใจ หลักของวิปัสสนาก็คือไม่คิดรู้ว่าไม่คิดออกวิปัสสนาจริงๆเริ่มเมื่อหมดความคิดสมถาจริงๆเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจดังอย่างเราตั้งใจปฏิบัตินะจิตไม่สมบงบกรอกไม่พักผ่อนไม่ได้รีแลกซ์อือพอเราลมหายใจเขา้าผมก็จะรู้สึกว่าเออแล้ว ก็คิดว่าจะพก่อนใช่คือมันก็ทาไม่ได้ไม่ีหลงไม่ยี่แล้มนหลงอืเขไม่อสนใจไม่อสนใจอ่ะถ้ามันดูจิตได้ก็ดูไปสีไปพักทไมเออตอนนะครับะพักผอมันก็บ้านเพ่งอย่าง้ลงมือนกดีแล้วทำไป ต้องผ่อนคลายเราทําใจให้สบายๆอย่าคิดว่าจะทําให้สงบแล้เราจะนั่งดูร่างกายนี้มันหายใจเล่นๆหายใจออกออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนต้องหายใจออกก่อนนะพระพุทธเจ้าสอนให้เริ่มจากลมหายใจออกนะไปดูพระสูตรให้ดีนะเขาบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว ถ้าหายใจเข้าก่อนแล้วก็จแน่นขึ้นม า, าหายใจออกเนี่ยจะไม่มีแรงตั้งท่าลองลองดูสิลองหายใจออกแล้วหายใจออกก่อนหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยถ้าหายใจเข้ามาพร้อมจะต่อสู้ไม่มีสงบหรอก ถามเองตอบเองเมื่อก่อนในที่ปมมีปัญหาผมถามหงพ่อเนี่ยพอสมมติในใจเราถามหงอเนี่ยหงพตอบพ่อเียวเลยเพราะว่าไม่ว่าจะถามกี่ร้อยปัญหาลวงพ่อก็ตอบข้อเดียวแหละก็เลยว่ามันมีอะไรถามไม่ได้ะไม่มีเห็นไหมลงไปอ่านที่หลวงพ่อเขียนสารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติ กี่ร้อยปัญหานะก็รู้เอาบางคนอยากรู้ช่้โลคมีจิตไหม อ, อยากรู้มากอย่างแบบดูความสงสัยไปเลยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ <c oughs> เวลามีปัญหาการปฏิบัติเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์วัดป่า <c oughs> ไม่ว่าจะถามปัญหาอะไรเนี่ยท่านตอบได้ทุกเรื่องเลย <c oughs> ถ้าท่านตอบอยู่เรื่องเดียวเลีนะ่ยพวกเนี่อะไรก็รู้มันไป เขาจะมาดูที่ มันมันจะดูรู้สึกเหมือนมันเคลื่อนเข้าไปไปเกาะนะเราค่อยสังเกตเวลาใจเราที่ชาติชายเคยเห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมนะเนี่ยมันเคลื่อนไปก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยเห็นเองนะถ้ามันไม่เกาะก็บุญแล้วล่ะนะไม่ต้องไปกังวล น, นะว่ามันทำไมมันไม่เกาะอเพราะมันเกาะแล้วมั น, นอึดอัดนะ เกาใจเป็นเคลื่อนไปเกาะอารมณ์ไปยึดนั่นแหละยึดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าสัตว์แต่รู้สัตย์แต่เห็นจิตไม่ไหลเข้าไปยึดถืออารมณ์ก็ไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่อย่างนั้นดันั้นถ้าใจเรามันไม่ไหลไปมันเคลื่อนไปทางตาเราก็รู้ทันเคลื่อนทางหูก็รู้ทันเคลื่อนไปในความคิดก็รู้ทันเคลื่อนลงไปเพ่งก็รู้ทันคอยรู้ทันไปทีละขณะทีละขณะ แล้วการปฏิบัติจะราบรื่นมากเลยง่า ย, า อ, อ, ยอืม<ต>เห็นสิตอนมันเครื่องเป็เสร็จแล้วอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเห็นยัง ไ, ไงก็เอาอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวับว่าจะต้องใครเจอเออเห็นเือนก็หมดเคื่อไม่ไม่สำคัญนะไม่สำคัญว่ารู้อะไรที่สำคัญคือรู้อย่างไร ไม่สำคัญว่าจะไปรู้อะไรรู้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเท่าๆกันจะรู้อย่างไรล่ะรู้แบบเข้าไปตอกมันหรือรู้แบบสักว่ารู้เฉยๆตัวนี้สำคัญกว่าอะไรผ่านมาก็รู้ไปนะความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธความโกรธหายไปรู้ว่าหายไปไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นอยากจะละความโกรธเข้าไปยุ่งแล้ว่ะรู้ให้เป็น มีไปคิดแล้วรู้ไหม<ช>เนี่ยหัดอย่างเนี้ยเห็นไหมเรารู้ทันมันจิตเหมือนมันไหลเข้าไปในความคิดใช่ไมเหมือนมันเคลื่อนได้ดูออกไหมเหมือนมันเคลื่อนไปไป ร, รู้ทันอย่างบคนเนี่ยปฏิบัติสมาธิต้เรียนมาเจอหลวงค่อตายเมื่อไหร่กับอีกคนนี้ก็เป็นปฏิบัติพอดีเรียนแต่ตอนมาเจอคลวงอือ อสภาพจิตสองคนปฏิบัติมาคแต่คนหนึ่งตอนนั้นเป็นสนคนนึงอสสสภาพจิตตอนนั้นคือเวลาเราเจริมวิปัสสนาจริงๆออกปัจจุบันนะดูปัจจุบันไปใช้จิตเศ้าหมองรู้ว่าเศ้าหมองใช้ได้ จิตพองใสเคลินยิ้มกระสายลงแจงแดดใช้ไม่ได้นะหมดเวลาแล้วไม่งั้นเหมนมันถามถึงเย็นพี่ชาชัยมีอะไรอีกไหม นะรู้เป็นทีละขณานะเนี่ยใจเราเผลอแวบรู้แวบรู้ไปเรื่อย